ทำที่สำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าให้เลือกมาแค่หนึ่งประการเนี่ยก็คือความไม่เที่ยงยหรืออนิจจังด้วยเนี้เนี่ยเมื่อผู้เจ้าเนี่ยจะใกล้จะไปนิพพานเนี่ยโอวาทครั้งสุดท้ายของพระองค์ก็จะตรัสถึงความไม่เที่ยงของสังขารอย่างที่ตรัสว่าเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อันนี้เราเรียกว่าสัจธรรมนะสัจธรรมของสังขารอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงสัจธรรมหรือความจ ร, ริงของสังขารแล้วเนี่ยพระองค์ก็มักจะตามต่อด้วยข้อที่ควร ป, รปฏิบัติเลารู้ความจ ร, ริงก็เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติให้มันถูกต้องและสิ่งที่ควรปฏิบัติเราก็เรียกวาจารยธรรมนะ ซึ่งพระองค์ก็ได้ตัดไว้ในโอวาทภัตในไวปัะชิมโอวาทเนี่ยว่าท่านทั้งหลายต้งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือทำประโยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็หมายถึงความขนขวายเรื่องทำความเพียรเรื่องฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะอย่านิ่งดูได้อันนี้เป็น ข้อพึงปฏิบัตินะที่ผู้เจ้าเนี่ยนำมาเน้นนะในปัจฉิมโอวาทแต่พิจารณาสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเวลาพระองค์พูดถึงความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยพรองค์ก็จะพูดถึงข้อพึงปฏิบัติอีกแบบหนึง่งที่เด่นชัดก็คือในบทพิจารณาบางสุกุลจะแล้วบางสกุลตายเนี่ย ที่พวกเราชาวพูดคุ้นเคยกันดีเนี่ยเริ่มต้นด้วยว่าเนี่ยอันนี้จาวภษสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอันนี้คือสัจธรรมความจริงนะแต่พอพูดถึงข้อพึงปฏิบัติเนี่ยกลับออกมาอีกแนวหนึ่งนะก็คือว่า ความสงบระงับแห่งสังขารเป็นความสุขสังขารในที่นี้ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือปล่อยวางไม่ยึดติดถือมัน่นไม่มีความคิดในทางที่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดอันนี้ก็เป็นข้อพึงปฏิบัติที่เรา จ, จริยธรรมในพุทธศาสนาที่สำคัญ นี่ถ้าคนที่ช่างสังเกตหน่อยก็จะเอจใจนะว้ในปัจฉิมโอวาเนี่ยพระองค์เนี่ยพูดถึงการให้ขยันขันแข็งทำความเพียรแต่ว่าในมองสุกุลตายเนี่ยพระองค์กบอกว่าให้ปล่อยวางหรือว่าไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆ ก็ดูเหมือนขัดแย้งกันหรือว่าไม่ตรงกันจริงไม่ได้ขัดแย้งหรอกนะเป็นการเสริมกันมากกว่าแม้ว่าจะพูดถึงธรรมะหรือสัจธรรมข้อเดียวกันแต่ข้อพึงปฏิบัติเนี่ยควรกระทำสองอย่างจะเรียกว่าคู่ไปกันได้อย่างแรกคือความขยันหมั่นเพียรในการทำกิจ อีกด้านนึ่งคือให้ปล่อยวางไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเสริมกันอันแรกเนี่ยถ้าจะสุขง่ายๆคือการทำกิจในเมื่อชีวิตเราไม่เที่ยงสังขารร่างกายเราก็ มีแต่จะเสื่อมล่วงโรยไปเพราะนั้นเนี่ยต้องเล่งขวนขวายทำกิจทำหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติธรรมส่วนเรื่องการปล่อยวางหรือการทำจิตให้สงบอันนี้เรียกว่าเป็นการทำจิต อริยธรรมในพุทธศาสนาหรือข้อบงปฏิบัติเนี่ยถ้าจะสรุปย่อยๆเนี่ยก็มีแค่สองนะคือทากิจนะแล้วก็ทาจิตอันนี้เห็นได้ชัดนะในโอวัทถปติโมกข์เนี่ยซึ่งมีสามประการ การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระเจตของตในให้ขาวรอบเนี่ยสามข้อนียถ้าสรุปก็เหลือแค่สองนะก็คือทำดีแล้วก็ทำใจนะาทำดีเนี่ยก็เป็นการทำกิจอย่างหนึ่งและเป็นกิจที่ควรทำด้วยทำดีก็เริ่มแต่ว่า ละชั่วหรือเว้นชั่วแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลนะแล้วข้อที่สองคือที่เราทำจิตก็คือการชำระจิตของตงนให้ขาวรอบเนี่ยงั้นถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเราก็จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย มากจากปฏิบัติแบบไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่จําพวกนึงก็เป็นในเรื่องการทำกิจแต่ไม่ค่อยได้ทำจิตทำใจเท่าไหร่อีประเภทหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือว่าตัวมิชาพุทธเนี่ยก็เน้นเรื่องการทำจิตแต่ว่าการทำกิจอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ ในทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็เน้นเรื่องการทำกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจการงานอาชีพการประกอบอาชีพหรือว่าการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นไม้ทางการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำด้วยความตั้งใจนะั้นขยันหมั่นเพียรแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำจิตเท่าไหร่ หรือไม่ค่อยได้ดูแลรักษาจิตใจของตัวเพราะนั้นทำไปก็จิตใจก็เครียดจิตใจก็รุ่มร้อนคนที่ทำการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทนในเรื่องการทำงานประกอบอาชีพนี่หลายคนเลยนะเครียดบางทีก็ล้มป่วยจนโดยไม่น้อยก็เรียกว่าเสียศูนย์นะ หมดไฟอันนี้เราเป็นคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมด้วยในการทำกิจแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะดีกว่าไปลักขโมยคอร์รัปชันหรือว่าไปไปทำสิ่งที่ปนเปื้อนตนเองแต่ว่าถ้าลืมการทำจิต ไม่ดูแลรักษาใจให้ดีนะทำไปได้สักพักก็หมดสภาพป่วยเดีย๋ยวนี้หลายคนอายุแค่สามสิบเนี่ยก็หมดสภาพไปแล้วซึมเศร้าเหนื่อยล้าหมดไฟ เพราะว่าทํางานหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจหรือว่าวางใจผิดทําไปก็ทุกไปทําไปก็ทุกไปบางคนประสบความสําเร็จนะเงินทองเงินเดือนก็ขึ้นความสําเร็จก็มาแต่ว่าจิตใจย่ําแย่อันนี้เรียกว่าทํากิตแต่ไม่ค่อยได้สนใจทําจิตเท่าไหร่ บางคนถึงก็เสียส่วนค่าตัวตายลเลยก็มีนะคนที่ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ผิดหวังเรื่องโลกประสาทอีกประเภทหนึ่งก็ปเพทว่าทำจิตอย่างเดียวนะแต่ไม่ค่อยได้ทำกิจอันนี้เราก็เจอเยอะนะในหมู่ชาวพุทธเนะี่ยเห็นใครเดือดร้อนล้วก็สงสารเขา แต่ว่าก็ได้แต่แผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่างเดียวเลยจนกาทั่งมีคนเขาสงสัยว่าทำไมคนไทยนี่เราชอบนะช่วยเหลือโดยการแผ่เมตตาแต่ทำไมไม่ไปลงมือช่วยนะคนที่เขาเดือดร้อนหรือช่วยสังคมนะบางทีก็มีคำประชดประชันสมัยก่อนเนี่ย ชอบพุทไทยเนี่ยชอบแผ่เมตตาอยู่แต่ในมุ้งนะสมัยก่อนคนไทยเรานอ น, อนในมุ้งนะนเวลาเห็นคนเดือดร้อนเจ็บป่วยคนจะพูดหนึ่งก็โหช่วยเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยหรือเพื่อนป่วยเนะี่ยโอช่วยเต็มที่เลยดูแลเขาเต็มที่เลย แต่ดูแลไปก็เครียดไปบางทีก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ด่าว่าคนป่วยเพราะว่าดือ้อไม่ทําตามที่แนะนำบางทีคนป่วยก็เป็นพ่อแม่นี่เองเพราะว่ายังแอบสูบบุหรี่ยังแอบกิ น, นของหวานกินน้ำตาลเยอะทั้งที่เป็นเบาหวาน บางคนนี่คนไข้นี่ขอเรียกร้องเอาน้่นเอานี่เรียกร้องทั้งวันเช้าก็เรียกร้องกลางวันก็เรียกร้องบ่ายก็เรียกร้องให้ขยับเตียงบ้างเอาน้ำมาให้บ้างนะบางทีคำคำก็ยังปลุกเรียกคนดูแลนี่เป็นลูกนี่ทนไม่ไหวนะเสียศู์นะจับคอพ่อนี่มา ขย่าเลยเอายังไงแน่จเจ้ายังไงเรียกกันนั่นแหละนะเดี๋ยวให้ปรับเตียงขึ้นเดี๋ยวให้ปรับเตียงลงคนป่วยนี่เป็นพ่อแทนะ้แต่ว่าลูกนี่เสียสูญ น, นะเพราะว่าเครียดมากนี่เรียกว่าทํากิจนะแต่ว่าไม่ทําจิตวางใจไม่เป็นอีประเภทนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาแค่แผ่เมตตามันทีคนป่วยก็เป็นลูกเบางทีคนป่วยก็เป็นน้อง แต่ว่าป่วยอยู่ตัวเองนี่ก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดน้องไม่มีคนดูแลพยาบาลให้พี่สาวมาช่วยดูแลหน่อยพี่สาวปฏิเสธบอกฉันจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะส่งบุญไปให้แผ่เมตตา ม, มาให้อันนี้เรายกว่าจิตนะแต่ว่าไม่ทํากิจซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ใช่เป็นคําสอนในพุทธศาสนานะ ในพุทธศาสนาเนี่ยแน่ว่าจะมีคําสอนเรื่องเนะมตตากรุณามุทิตตาอุเบกขาที่เราเรียกพรหมวิหารสี่แต่ก็มีคําสอนอีกหมวดหนึ่งนะที่ไม่ได้ในเรื่องการทําจิตอย่างพรหมวิหารสี่แต่เป็นการทํากิจเลยทีเดียวนะทํากิจยังไงคือช่วยโดยทาน ช่วยด้วยปิยวาจาคำพูดที่ไพเราะให้กนลังใจแล้วก็อัต จ, จริยาช่วยด้วยการลงมือนะสละเลียวแรงกำลังวังชาหรือที่เราเรียกสมัยนี้ว่าจิตอาสาแล้วก็สมานตต า, ตานะร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมอบาทเสมอไหลอันนี้คือหมวดที่เรียกว่าสังขารวัตุสี ซึ่งคู่กับพรหมวิหารสีนะพรหมวิหารสีก็เป็นเรื่องการทําจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนสังวัตถุสีนี่เป็นเรื่องการทําทํากิจนะทำกิจ ด, นะ ด, ด้วยการลงมือช่วยด้วยสิ่งของด้วยคําพูดนะด้วยการกระทำแล้วด้วยการรวมทุกข์รวมสุขเสมอบาเสมอไหล แต่ว่าน่าสังเกตว่าเรื่องการทากิจเนี่ยเฉพาะสังคาร ว, วัตุสีนี่ก็ถูกมองข้ามไปเหลือแต่พรหมวิหารสี่คนไทยก็เลยเข้าใจว่าหรือชาวพุทธไทยเข้าใจว่านี่จะช่วยคนก็ช่วยด้วยการแผ่เมตตาหรือว่าส่งบุญไปให้ลืมลืมการทากิจนะแต่จริงพุทธศาสนานเนี่ยนะไม่ใช่เป็นทางที่สุดตรง สุดตรงไปในทางทมกิจอย่างเดียวหรือสุดตรงไปในทางทมจิตอย่างเดียวทางสายการวุทธศาสนากุลรมถึงว่าเนี่ยทำกิจด้วยทำจิต ด, ด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะซึ่งคนที่มาสนใจวัตถศาสนาเนี่ยก็ต้องอเข้าใจให้ถูกต้องหรือถึงถึงไม่สนใจวัตถศาสนานะแต่ว่าถ้าหากว่า เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเวลามีปัญหาแรงต่างก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องเอาใช้วเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยจำพวกหนึ่งก็เป็นในเรื่องการทำกิจก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการเยียวยารักษาโรคแต่เป็นในเรื่องทำทางกายนียทำกิจ ลืม เ, เรื่องการทําจิตก็เป็นเน้นแต่เรื่องการจัดการกับร่างกายไม่ว่าจะโดยยาโดยการผ่าตัดโดยการคุมมาหามหรือโดยการออกกําลังกายอันนี้ก็เรียกลมรวมว่าทํากิจนะแตมนะ่มันไม่พอเราต้องทําจิตด้วยเพราะว่า ถ้าเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมีความเครียดมีความวิตกกังวลอดครวนตีโพยตีพายหรือว่าไม่ยอมรับโรคที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยมีแพทย์หนึ่งก็คือทำจิตอย่างเดียวคือยอมรับยอมรับความเจ็บป่วย ให้เหตุผลว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะมันย่อมมีวันเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เพราะนั้นก็เลยปล่อยวางปล่อยวางก็ดีนะแต่ว่ามันไม่พอนะมันต้องรักษาด้วยนะต้องรักษาลดนักป้องกันด้วยถ้ายังไม่เจ็บป่วยมีคนจะน้อยชอบพูดจะดน้อยเนี่ยพอป่วยแล้วก็ทําใจอย่างเดียวเลย หรือเวลาบ้านนะหลังคารั่วหรือว่าท่อน้ำแตกบางคนก็บอกเออทำจิตทำใจ ย, ยอมรับแต่ไม่ได้ลงมือนะที่ไปจัดการกับหลังคาที่รั่วอีกเทศหนึ่งก็ คิดแต่จะไปจัดการกับหลังคาที่รั่วท่อหนาที่แตกแต่ว่าจิตใจก็รุ่มร้อนวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอั น, นั่นก็เรียกว่าทำกิจแต่ไม่ทำจิตนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือว่าทำจิต ด, ด้วยทำกิจ ด, ด้วยคือว่าออรั่วมีปัญหาก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรไม่บน่นไม่โวยวายแต่ว่าก็ลงมือซ่อมด้วยนะ ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยโดยเข้าใจว่านี่คือการปล่อยวางสมัยที่วัดหนองประพงเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้มีเป็นที่รู้จักมากเนี่ยกุฏิเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกุฏิมุงแฝก น, นะมีคราวหนึ่งเนี่ยช่วงเข้าบรรษาลหรือรูฝนพายุ พัดเอาหลังคากุฏิแล้วแหว่งโวไปมีกุฏินึงเนี่ยหลังคาแหว่งไปครึ่งหนึ่งผ่านไปหลายวันพระที่อยู่ในกุฏินั้นก็ไม่ได้มุงหลังคาใหม่เลยหรือคิดไม่คิดไป็นกาซ่อมเลยหลวงพ่อชาก็เลยไปถามว่าทําไมถึงไม่ซ่อมไม่มุงหลังคาใหม่ พารุ่นนะก็ว่าผมกำลังฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นครับหลวงพ่อเช้าเลยตําหนินะว่าไอ้ความมยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันต้องใช้สมองนะไม่ไม่ใช่ว่าจะวางเฉยเหมือนวัวเหมือนควายหลวงพ่อเนีบอกว่าเนี่ยหลังคารั่วมันก็ต้องซ่อมไอ้การที่ใจไม่ทุกเนี่ยเพราะหลังคารั่วเนี่ยดีแล้วน ไม่ทุกเพราะว่ากุติไม่ใช่ของเราหรือว่าไม่ยึดมาถือมา่นกับมันเนี่ยดีแล้วแต่ต้องซ่อมจากนี้คนไ่เข้าใจว่าปล่อยวางก็คือปล่อยปะละเลยอันนี้เป็นคามเข้าใจที่ผิดมากเลยปล่อยวางเป็นเรื่องการทาจิตส่วนการปล่อยปะละเลยเนี่ยคือการไม่ทำไม่ทิด ไการไม่ทำกิตเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนานี้ไม่สนับสนุนนะต้องทำกิจแต่ก็ต้องทำจิต ด, ด้วยแต่ก็นี้คนไม่เข้าใจว่าทำจิตคือคนไม่เข้าใจาปล่อยวางเนี่ยคือการไม่ทำกิจปล่อยวางหมายว่าปล่อยปะละเลยไม่ใช่นะปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิตแต่ว่าการทำกิดเช่นซ่อมรังคาก็เป็นสิ่งที่ควรทา นี่ต้องเข้าใจชัดนะว่าปล่อยวางเนี่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยทํากิจ ด, ด้วยจิตปล่อยวางนี่มันทําได้แล้วควรทําด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันนะทํากิจ ด, ด้วยทําจิตด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกนะใช่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยรักษาตัวก็รักษานะแต่ว่าก็ ไม่ใช่แค่รักษากายเดี๋ยวรักษาใจด้วยจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปแต่ว่าร่างกายก็ต้องดูแลเพราะถึงแม่ร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ในการทาประโยชนย์เหมือนก็เรือเนี่ยรือเียถ้ามันรั่วก็ต้องปะต้องชัน ถึงแม้เรือไม่ใช่ของเราแต่ว่าการยืดอายุของเรือก็ช่วยทำให้เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นานขึ้นร่างกายไม่ใช่ของเราสมควรที่จะปล่อยว่างนะเวลามันป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษานะเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นานขึ้นเช่นทาความดี สราบุญสร้างกุศลเวลาช่วยเหลือคนอื่นก็เหมือนกันนะเวลาช่วยเหลือคนอื่นช่วยช่วยคนป่วยเนี่ย้การช่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ลืมการดูใจของตัวเองด้วยอาจารย์วิชิตเนี่ยท่านทำสันติภาวันสถาน พมนักของภิกษุอาพาลยะตทายเนี่ยท่านผู้ไว้ดีนะท่านบอกว่าเนี่ยการดูแลเขาเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมของเราเขาในที่นี้คือพระที่ป่วยซึ่งหลายรูปเลยนะเป็นผู้ป่วยที่ดูแลยากไม่ใช่ว่าร่างกายหรือความเจ็บป่วยดูแลยากนะแต่ที่ดูแลยากคือพฤติกรรมนิสัย เรือร้องชอบเอาโน่นเอานี่ไม่่อยช่วยตัวเองเท่าไหร่แล้วก็เวลาคนดูแลแทนที่จะช่วยช่วยตัวเองบ้างก็ไม่ยอมช่วยเลยเนเวลายกยกตัวขึ้นเตียงก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะให้พระที่ดูแลเนี่ยยกอย่างเดียวเลย ตัวเองเนี่ยคนป่วยนี่ไม่ช่วยที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาเลยแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่ท่านก็ไม่เลยทุกข์อะไรนะทั้งที่การดูแลชบัดดูแลกายนี่ก็เหนื่อยแล้วนะนี่ต้องมาเจอพฤติกรรมแบบนี้แนตะ่ท่านไม่ทุกข์เลยท่านบอกว่าเนี่ยการดูแลเขาก็คือการปฏิบัติตธรรมของเราหมแบบายความว่าดูแลไปด้วยก็ฝึกจิตฝึกใจไปด้วยมาสังเกตใจของตัว มีความหงุดหงิดมีความขุนมัวไหมอ่าถ้ามีก็แค่ดูมันเห็นมันแล้วขณะเดียวกันก็ตั้งจิตน้อมให้มีเมตตากรุณาเยอะๆมีความเข้าใจเขาว่าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าประสบการณ์ภูมิหลังมีญาติโยมมาดูแลปลนเปลอนอนะหรือว่าตามใจมากจกนกระทั่งถึงเวลาป่วยก็ ยังเอานิสสาวเดิมนิสัยเดิมมาใช้กับพระที่ดูแลพอเข้าใจแบบนี้แล้วใจก็ไม่ทุกข์นะนี่เรียกว่าทากิจนะและทาจิตทากิจก็คือช่วยเหลือพระที่อาพาธพระที่เดือดร้อนเราเดียวกันก็ดูแลใจของตัวไปด้วยถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติตธรรมการเดียกันได้เวลาเราทำดีเนี่ยทความดีช่วยเหลือใครเนี่ย หรือว่าทำช่วยเยส่วนรวมเนี่ยก็ต้องทำใจหรือฝึกจิตไปด้วยไม่มีคนช่วยไม่มีคนมาทำกับเราก็ไม่เป็นไรใจเราไม่ทุกข์หรือว่าเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ไม่เดือดร้อนบางคนก็ดินทาค้อนแคะว่าเราเด่นอยากเด่นอยากดังอะ่ะเราก็ปล่อยวาง ไม่เอามาเป็นสาระกลับมองว่าเออนี่เขามาสอนสัจธรรมบางทีมาด่าว่าเราได้วยซ้ำนะก็นึกได้นะว่าเนี่ยเออนี่เขามาสอนทําให้กับเราอย่างที่หลวงพ่อคำเค่งเคยพูดว่าเนี่ยถึงถูกด่านะก็เห็นสัจธรรมได้สัจธรรมเรื่องโลกธรรมมันไม่ใช่แค่ฝึกใจให้เรามีขันติหรือมีสติรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางแต่ว่ายังฝึกให้เห็น หรือเปิดใจให้เห็นสัจธรรมว่ามันเป็นอย่างนี้เองเฉะั้นถ้าเราทําดี แ, แต่เราไม่ทําใจไม่ฝึกใจนะเราก็ทุกข์นะหรือบางทีทําแล้วเนี่ยช่วยเขาไม่ได้ดูแลผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยก็เสียชีวิตหรือว่าปลูกป่าแต่ว่าป่ามันก็โดนไฟไหม้ถ้าทาด้วยจิตที่มันคาดหวังนะคาดหวังผลเนี่ย ก็จะทุกข์มากเลยแต่ถ้าทําทําดีด้วยใจที่ปล่อยวางไม่คาดหวังผลเรียกว่าทําเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสนั่นทําได้นะคําว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนนะี่นคือการทํากิจแล้วก็ทําจิตทําเต็มที่คือขยันหมั่นเพียรนะใส่ใจพิจารณาว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแต่ขณะเดียวกันก็นก ใจก็ไม่ยึดติดถือมั่นกับผลสําเร็จใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไปชะเง้อมองอนาคตหรือผลที่มุ่งหวังเพราะถ้าทําไปแต่ใจไปอยู่กับผลสําเร็จหรือผลที่คาดหวังนี่มันทุกข์นะอย่าว่าตายเลยเพียงแค่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยหลายคนก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าใจมันนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงทั้งที่ไปเที่ยวแท้ๆเนะี่ยแต่ใจทุกข์นะเพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่ที่เป้าหมายแล้ว พอใจอยู่ที่เป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแล้วเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงสักทีทําดีหรือทําอะไรเพื่อส่วนรวมหรือแม้กระทั่งทำการงานส่วนตัวเนี่ยนะถ้าว่าจิตมันไปอยู่ที่เป้าหมาย่ยที่ความสําเร็จมันก็จะทุกขนะ์ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแต่พอถอนจิตออกจากเป้าหมายที่มุ่งหวังมาอยู่กับปัจจุบันก็ทําได้ด้วยใจที่ไม่ทุกขนะ์เรียกว่าทําได้เต็มที่แต่ไม่เสียเร่อน อันนจะเรียกว่าทําด้วยจิตปล่อยวางก็ได้หรือทําด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันก็ได้าการทํากิจด้วยจิตปล่อยวางนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขัดแยง้ง น, นะมันมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และควรทําด้วยและนี่มันก็ตรงกับนะคำสอนของพุทธศาสนาที่ที่ท่านสอนให้ทํากิจแล้วก็ทําจิตไปพร้อมๆกัน